ตอนที่22ปัญญาชนผู้ไร้มารยาทซูมานอินคิดไม่ถึงจริงๆว่าในโลกนี้จะมีคนที่หนังหน้าหนายิ่งกว่ากำแพงเมืองอยู่ด้วยหวังเกว้ยฮาพิ่งจะแจ้งจับพวกนางข้อหาค้าขายโดยไม่มีใบอนุญาตและเก่งกำไรเป็นเมื่อวานซืนแต่วันนี้กลับพาลูกชายมาหาถึงบ้านเพื่อของานทำเด็กคนนี้ปิดเทอมฤดูร้อนแล้วอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำสู้มาช่วยพวกเจ้าทำงานหน่อยจะดีกว่าหื้ ทั้งที่ชัดเจนว่าอยากจะมาขอส่วนแบ่งแต่กลับพูดจาราวกับว่าพวกนางเป็นฝ่ายอ้อนวอนขอให้เขามาช่วยอย่างนั้นแหละซูมานอินกว่าสายตามองโจเว้กัวที่ยืนที่อยู่ข้างกายหวังเกื้อฮาเด็กหนุ่มวัยสิบหปีรูปร่างสูงปร่งผิวพรรณสะอาดสะอาดหน้าตาไม่เลวแต่กลับไร้มารายาสิ้นดีตั้งแต่ก้าวเข้ามาในลานบ้านเขายังไม่ยอมเรียกย่าหรืออาสภายสักคำนิสัยใจคอแบบนี้ยังสู้ต้าฮวากับเสี่ยวสวี่จากโรงเรียนอนุบาลไม่ได้เลยด้วยซ้ําที่สภายรองข้าดูเหมือนว่าหลานชายคนโตจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะจะ ซูมานอินขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ที่มุมปากยังคงประดับด้วยรอยยิ้มเว้ยกัวเปิดเทอมนี้ก็คงขึ้นชั้นมัธยมปลายปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมออกมาช่วยพวกเราตั้งแผงแบบนี้จะเสียการเรียนหรือเปล่าจะ๊ะไม่ห ร, รอกก็แค่ชั่วโมงเดียวตอนเที่ยไม่ใช่หรือไม่เสีย ง, งานเสียการหลอกโจเว้ยกัวแอบดึงแขนเสื้อหวังกุ้ยฮาร์แล้วขู่เสียงเบาแม่ตกลงกันแล้วนะแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเงินที่หาได้ต้องเป็นของผมทั้งหมดใช่ถ้ามากกว่านั้นพวกเราไม่ทำหรอก ซูม่านอินจ้องมองสองแม่ลูกหวังเกยหาด้วยสายตาดูแคลนสุนจิ๋วหลิงหิวเตาเดินตัวโกง่งเข้ามาจากด้านนอกพอเห็นแม่ลูกตระกูลโจนางก็ทักทายอย่างกระตือรือร้นไอ้หญิงรองไว้ยกัวพวกอามาทําอะไรกันหรือจ๊ะจิ๋วหลิงคํานี้ข้าฟังแล้วไม่รื่นหูเลยนี่ไม่ใช่บ้านเจ้าเสียนหน่อยทำไมข้าจะมาไม่ได้ละ่ะหวังเกยหาพูดจะเหน็บแนมอะไรกันเงินนี่มีแต่พวกเจ้าสองผัวเมียที่หาได้คนเดียวหรือไง ซุนจิ๋วหลิงมัวแต่ยุ่งกับการย้ายเตาจึงไม่ได้ยินคําพูดถักถางนั้นของหวังเกื้ยฮาเลยไอ้หญิงรองไว้ยกัวพวกอากินอาหารเช้ามาหรือ ย, ยังจ๊ะซุนจิ๋วหลิงเปิดตะกร้าไม้ไผ่ที่นํามาด้วยด้านในมีขนมปังแป้งหมักสีเหลืองทองส่งกลิ่นหอมฉุยนั่งหยิบออกมาหนึ่งชิ้นแล้วยื่นให้ไว้กัวเอานี้พี่สะพ้ายเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆในแป้ง ใ, งใสคันทสกรด้วยน่รสชาติอร่อยมากเลยล่ะโจ้ว่ยกัวรับขนมปังแป้งหมักมาด้วยมือเดียวแล้วกัดคําโตทันที ชินเสี่ยวเย่เว่เองก็อยากจะหยิบมากินสักชิ้นแต่พอได้ยินคําว่าคันทัสกรก็รีบชักมือกลับทันทีซูมานอินเห็นดังนั้นก็เข้าใจความคิดของนางไม่เป็นไรหรอกซูมานอินมีขนมออกมาส่วนหนึ่งแล้วยื่นให้ชินเสี่ยวย่าววางใจเธอไม่ได้กินทุกมื้อหรอกไม่ส่งผลต่ออายุขัยของเจ้าขนาดนั้นหวังเกว่าเห็นซุนจิ๋วหลิงทําเหมือนคําพูดของนางเป็นเพียงลมผ่านหูก็โกรธจนใบหน้าบิดเบี้ยวนั้นน้องสไพย์ค่าต้องไปทํางานและงั้นฝากไว้กลัวไว้กับพวกเจ้าด้วยนะ พูดจบโดยไม่รอให้ซูมานอิงตอบรับนางก็ขี่จักรยานหนีไปทันทีโจ้ยกลัวกินเร็วเกินไปจนติดคอเขาตะโกนถามเสียงดังมีน้ำหม่บ้านพวกเธอมีน้ำหมรอยยิ้มบนใบหน้าของซูมานอิงแงข็งค้างเด็กคนนี้เป็นอะไรกันแน่แม้แต่จะเรียกคนยังเรียกไม่เป็นเลยหรือช่างไร้การศึกษาจริง เมื่อซุนจิ๋วหลิงเข้าบ้านมาก็เริ่มลงมือทำงานทันทีทั้งหั่นมันฝรั่งเส้นทั้งนวดแป้งโดแมซูม่านอินกับฉินเสี่ยวยาวจะช่วยอยู่ข้างๆแต่สุดท้ายหน้าที่ผัดและทอดก็ยังตกเป็นของนางอยู่ดีเวี่กัวเจ้านั่งเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์มาช่วยจุดไฟสิผู้ชายจุดไฟไม่ได้หรอกโจวไอกัวโต้กลับด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์พ่อผมบอกว่าผู้ชายที่วงเวียนอยู่หน้าต่อจะไม่มีอนาคตซูม่านอินหัวเราะด้วยความโมโหโจวไอกัวเจ้าอ่านตำราของยุคสมัยไหนกันเนียถึงยังมีหัวคิดคลั่งคลือแบบนีี้ออยู่ ชิ้นเสี่ยวเยวเ่ที่อยู่ข้างๆตกมือหัวร่าร่าตายจริงถ้าพูดแบบเจ้านั้นพ่อครัวในร้านอาหารก็ต้องเป็นผู้หญิงให้หมดเลยสีห้าห้าสมแล้วที่เป็นปัญญาชนผู้มีความหวังที่สุดของตระกูลโจที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัายได้เก่งจริงๆซุนจิวหลิงที่ได้ยินทั้งสองคนคุยกันในลานบ้านก็โผล่หน้าออกมาร่วมวงด้วยนั่นสี่ลุงเต๋อซุนบอกว่าเขาคือความหวังของตระกูลโจเชียวนะ ซูมานอินกับฉินเสี่ยวย่าได้ยินดังนั้นก็หันไปมองโจวเว่ยกัวที่หน้าดำคร่าเครียดเหมือนขม่าก้นหม้อแล้วก็พากันหัวราะราออกใหมีครั้งโจวเว่ยกัวรู้สึกไม่พอใจในใจแต่คนในลานบ้านล้วนเป็นผู้อาวุโสกว่าต่อให้เขาจะเกเรแค่ไหนก็ไม่กล้าต่อปากต่อคําพวกนางอีกอย่างเขายังต้องหาเงินด้วยแม่บอกว่าขอแค่ทนให้ผ่านช่วงเที่ยงไปได้อย่างน้อยก็ได้เงินห้าหยวนเงินห้าหยวนนั้นนอกจากจะซื้อรองเท้าหนังให้เสี่ยวเซี่ยได้แล้วยังมีเงินเหลืออีกด้วย เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงกัดฟันเดินไปที่หน้าต่อยิบฟืนบนพื้นขึ้นมาแล้วเริ่มจุดไฟไอหย่าว่ยกัวรู้จักความขนาดนี้เลยหรือเนี่ยเห็นไหมว่าตำราที่อ่านไปไม่เสียเปล่าจริงๆซุนจิวหลิงเ อ, อ่ยชมจัดใจจริงแต่ในหูของซูมา่านอินกลับฟังดูประชดประชันอย่างยิ่งเพราะน้ำเสียงของนางไม่ได้เหมือนกำลังพูดกับนักเรียนมัธยมปลายเลยสักนิดแต่กลับเหมือนกำลังเ อ, อ่ยชมเด็กน้อยในโรงเรียนอนุบาลเสียมากกว่าซูม่านอินมองท่าทางรำคาญใจของโจเว่ยกัวแล้ว นางก็รู้สึกไม่ชอบพี่นาเขาขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยเมื่อถึงช่วงเที่ยงหลังจากนําประสบการณ์จากเมื่อวานมาพิจารณาแล้วซูม่านอินจึงตัดสินใจแบ่งหน้าที่กันง่ายๆเว่ยกัวเสี่ยวเยเวพวกเจ้าสองคนรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนข้ากับจิวหลิงจะรับหน้าที่ทําอาหารและเก็บเงินเองซุนจิวหลิงและชินเสี่ยวเวยวย่อมไม่มีข้อโต้แยง้งทว่าโจเว่กัวซึ่งอายุน้อยที่สุดกลับเสนอความเห็นต่างขึ้นมาคือว่า คืออะไรของเจ้าซูมานอินเริ่มรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาบ้างแล้วตลอดทั้งเช้าเขาก็ไม่รู้จักเรียกขานคนที่ถูกต้องเอาแต่คือว่าอย่างนั้นคือว่าอย่างนี้เรื่องมากเสียจริงคือว่าคุณป้าเฮอร์ข้านึกว่าเจ้าจะเรียกคนไม่เป็นเสียแล้วซูมานอินเอ่ยถามอย่างไม่สบอารมณ์ว่ามาสิเจ้ามีทุระอะไรโจไว้กัวหน้าแดงกัเอ่ยเสียงเย็นคุณป้าข้าเคยเรียนหนังสือมาให้ข้าเป็นคนเก็บเงินดีหรือไม่ แล้วเจ้าทําเจียหมัวเป็นหรือโจ้ยกัวพยักหน้าเป็นครับเมื่อเช้าพี่สะใยรองสอนข้าแล้วซุนจิวหลิงพยักหน้าสำทับเวกัวฉลาดมากสอนแค่แป๊บเดียวก็ทําไปแล้วซูมานอินมองซุนจิวหลิงที่ดูซื่อบื้อเกินไปแล้วในใจก็นึกเข้าใจขึ้นมาบ้างว่าทําไมโจ้ยหมิน่นถึงได้โมองหอยู่บ่อยๆตกลงเช่นนั้นข้าจะคอยดูอยู่ข้างๆก่อนซูมานอินยังคงไม่วางใจโดยเฉพาะเรื่องเงินทองชินเสี่ยเวเย่เว่เองก็ไม่วางใจเช่นกัน แม่เลยแค่ฆาทำคนเดียวก็ได้จริงๆนะคะความจริงก็เป็นไปตามที่ฉินเสี่ยวเยเว่าไว้หลังจากเรื่องวุ่นวายเมื่อวันเหล่าพนักงานต่างก็รู้จักแผงลอยแห่งนี้กันหมดแล้วอีกทั้งยังรู้ว่าตอนนี้พวกนางเป็นผู้ประกอบการอิสระที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายประกอบกับเป็นครอบครัวของพนักงานในโรงงานทุกคนจึงให้ความเป็นกันเองอย่างมากแทบไม่ต้องรอให้ชินเสี่ยวเยเว่เรียกหาทุกคนก็พากันมาเข้าแถวรอโดยอัตโนมัติ ซูมานอิ่มแจ้งให้ทุกคนทราบล่วงหน้าว่าวันนี้มีเพียงโรเตมัวไส้มันฝรั่งผัดกากหมูเท่านั้นแต่ความกระตรือรือร้นของทุกคนก็ยังไม่ลดน้อยลงเลยดีเลยเดิมทีตั้งใจจะซื้อโรเจียหมัวแค่ชิ้นเดียวคราวนี้ซื้อได้ถึงสองชิ้นเลยนั่นสีไส้มันฝรั่งผัดกากหมูบ้านเจ้าหนี้เอาไปทําเป็นกับข้าวแยกต่างหากได้เลยนะอร่อยจริงๆทุกคนต่างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีฉินเสียวเยเวมีความสุขมากทว่าโจไวไอกัวที่กําลังทําเจียหมวอยู่ที่หน้าแผงกลับเริ่มเจอกับความลําบากเข้าให้้แลว ไม่รู้ว่าพนักงานพวกนี้ถูกขุนจนกระเพาะขยายจากเมื่อวานหรืออย่างไรวันนี้พอมาถึงก็สั่งทีละสามสี่ชิ้นแถมยังเอาแต่เร่งร้าวจนทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกหลังจากทำไปได้สิกว่าชิ้นมือของเขาก็เริ่มสั่นเทาไว่ยกัวส่งมาให้ข้าเถอะซูมานอินหยิบมีดทำครัวไปจากมือเขาโดยตรงเจ้าทำแบบนี้มันอันตรายเกินไปไปช่วยพี่สะายเล็กของเจ้าดูแลความเรียบร้อยทางโน้นเถอะ โจเวยัวอยากจะฝืนทำต่อแต่เขาเหนื่อยมากจริงจริงนิ้วมือของเขาเริ่มเป็นตะคริวเขาจึงหลบไปด้านข้างทว่าในขณะที่เพิ่งจะได้พักหายใจจู่จูก็มีเสียงหนึ่งดังแว่วมาโจเวยัวใช่เจ้าจริงๆด้วยโจเวยัวหันกลับประมองพริบตานั้นเขาก็รู้สึกเหมือนฟ้าจะถล่มลงมาตรงหน้าทันที